พระบัญญัติ504ก็ภิกษุใดใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักให้ย้อมหรือให้ทุบจีวรเก่าต้องอบัตินิสักียปาจิตตีเรื่องพระอุทายีกับอดีตภรรยาจบ